ตอนที่เก้าบสองถึงตาที่นางจะได้โอ้อวดบ้างแล้วเจ้งเศร้าซิงที่แอบหลบอยู่ในห้องเมื่อครูได้ยินทุกอย่างชัดเจนเต็มสองหูเขาจึงเอ่ยถามออกมาด้วยความสงสัยทัญญาพูดเรื่องอะไรหรือจะ๊ะเจ้าว่าอย่างไรละ่ะข้าไม่รู้จะ๊ะเจ้งเศร้าซิงสายหน้าเขาไม่รู้จริงๆว่าทัญญาหมายถึงใครหากรู้คงไม่ถามหรอกนอกจากเรื่องกินแล้วเจ้ายังรู้อะไรอีกบ้างเจ้าชุนหวาบ่นออกมาอย่างอดไม่ได้หลานชายคนที่สองกับคนเล็กของนางช่างหัวขี้เลื่อนนะ เทียบกับเสียหวานและเศร้าเฮงไม่ได้เลยสักนิดหรือว่ายิงของตระกูลนางจะมีปัญหาดูเทาวาลานในท้องของชิงพิงที่เกิดมาก็คงจะทื่อๆไม่ต่างจากพวกเจ้าแน่ณเรือนพักรับรองหลีชิงพิงจัดห้องพักให้พวกเขาไว้สองห้องพี่ชายของหลีชิงพิงปรับเข้าห้องไปก็นอนหลับทันทีส่วนแม่หลีไม่มีท่าทีว่าจะปล่อยนางไปง่ายๆเจ้าช่างขวัญกล้านักข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายตระกูลเจิ้งให้เงินสินสอดมาเท่าไหร่ อย่างไรเขาก็เป็นถึงคู่พันส่วนพ่อสามีเจ้าก็เป็นถึงอดีตผู้บัญชาการอาวุโสข้าไม่เชื่อหรอกว่าพวกเขาจะไม่ให้เงินเลยสักแดงเดียวลีชิงผิงนางไม่อยากบอกความจริงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะป้า น, น้ําเป็นตัวอย่างไรดีคุณยายจะในเมื่อท่านรู้ว่าครั้งนี้แม่ของข้าแต่งงานเข้าตระกูลใหญ่โตท่านคิดว่าเขาจะให้เงินหรือจ๊ะลีหวานเอ๋อถามด้วยน้ําเสียงขี้เล่นพ่อเลี้ยงของข้ามีตําแหน่งสูงกว่าพ่อแท้ๆของข้าเสียอีก ตอนนี้โจเจียนเงย่ไม่ได้เป็นผู้พันแล้วนะจะคุณยายลองคิดดูว่าหากบ้านของท่านมีฐานะเหมือนบ้านพ่อเลี้ยงท่านจะยอมให้ลุงของข้าแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกติดอย่างแม่ของข้าเข้าบ้านไหมล่ะจ๊ะไม่มีทางเรื่องนั้นยังต้องให้พูดอีกหรือแม่หลี่ไม่มีวันยอมให้ลูกชายตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงที่มีภาระติดซอยห้อยตามเข้าบ้านเด็กขาดอย่าว่าแต่ลูกชายของนางจะเป็นผู้พันหรือไม่ต่อให้ไม่ใช่นางก็ต้องหาหญิงพรมจันทร์มาให้ลูกชายอยู่ดีแม่หลี่ขมวดคิ้ว จะมีอะไรก็พูดมาตรงๆไม่ต้องมาพูดจะาอ้อมค้อมอยู่แถวนี้ความหมายของข้าก็คือในเมื่อท่านเองอยังไม่เต็มใจแล้วพ่อเลี้ยงของข้าที่แม้จะชอบแม่ของข้ามากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านย่าเลี้ยงจะยอมรับแม่ของข้าเข้าบ้านนะจ๊ะลิวันพูดถึงตรงนี้ก็นิ่งไปครู่หนึ่งเพื่อให้พวกเขาได้มีเวลาคิดตามหากพวกเรายังจะเอาสินสอดอีกทางนั้นคงยิ่งไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้ ครั้งนี้แม่ของข้าแต่งงานกับผู้พันนะจะถ้าลองไปถามที่เขตทหารดูได้พ่อเลี้ยงคนนี้ของข้ามีโอกาสจะได้เป็นผู้บัญชาการมากที่สุดต่อไปแม่ของข้าก็จะเป็นหูหญินผู้บัญชาการฐานย่อมไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับเงินสินสอดเพียงเล็กน้อยในตอนนี้แล้วฝั่งไหนสําคัญกว่ากาันละจ๊ะแม่แม่หลีจะไม่ชอบหลีหวานที่เป็นหลานสาวคนนี้เท่าไหร่นักแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่นางพูดมานั้นมีเหตุผลมากทีเดียวอย่าว่าแต่จะเรียกสินสอดเลยต่อให้ต้ อ, ตองแถมเงินให้ไปฝ่ายนั้นยอมรับตัวไว้ก็นับว่าดีมากแล้ว และอีกอย่างข้าได้ยินมาว่าตอนที่พวกเจ้าสองคนใหญ่กันโจจีน้นียให้เงินเจ้ามาตั้งหลายพันหยวนเชียวหรือเรื่องนี้จริงหรือไม่คุณยายจะข่าวลือนี้ท่านไปได้ยินมาจากไหนกันใหญ่เท่าน่าเลือดอย่างยาของข้าคนนั้นนะ้าหรือจะยอมให้เงินแม่ข้ามากมายขนาดนั้นหลีหวานแวงทําเป็นตกใจพลางอุทานออกมานั่นมันต่างอะไรกับพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกกันละจะ๊ะคําพูดนี้ก็มีเหตุผลเช่นกันหลีชิงผิงลูกสาวข้าเก่งกาจนัก พูดจาได้ลื่นไหลไร้รอยต่อจริงๆเอาเธอหากพวกเจ้าสองคนไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปก่อนเถิดข้ากับแม่ของเจ้าจะพักผ่อนแล้วพ่อหลีเอ่ยปากแล้ให้พวกนางกลับไปหลีชิงผิงเองก็ไม่อยากอยู่นานจึงพาซีย ว, วันเดินออกมาทันทีเจ้าว่าหลีชิงผิงไม่มีเงินจริงๆหรือว่าแซงทําเป็นจนต่อหน้าพวกเรากนแน่แม่หลีลดเสียงต่ําลงพรางพึมพำถามเรื่องแบบนี้ข้าจะไปรู้ได้อย่างไรแต่ที่นางหนูนั่นพูดมาเมื่อครู่ก็มีเหตุผลอยู่พ่อหลีขมวดคิ้ว บางเรื่องพวกเราก็บีบคั้นนางมากเกินไปไม่ได้ประเดียวจะเกิดเรื่องยุ่งยากตามมาภายหลังหมายความว่าอย่างไรเจ้าก็เห็นแล้วลูกในท้องของลูกสาวเราอาจไม่ใช่หลานชายเพียงคนเดียวของตระกูลเจิง้งพวกเขามีหลานชายอยู่แล้วในเมื่อไม่ใช่คนเดียวก็แสดงว่าไม่ได้มีค่ามากมายนักแล้วอย่างไรต่อแม่หลีพยักหน้าเบาๆสรุปว่าพวกเรามาผิดอย่างนั้นหรือมานั่นไม่ผิดหรอก แต่ต่อจากนี้พวกเราต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหลี่ชิงถิงไวรอจนกว่าแม่สามีของนางจะตายไปเมื่อไหร่ที่ตระกูลเจิ้งตกอยู่ในอำนาจการตัดสินใจของลูกสาวเราเมื่อนั้นจะอยากได้เงินเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้แน่นอนว่ายังทําไม่ได้พ่อหลี่วิเคราะห์อย่างจริงจังแม่หลี่พยักหน้าเห็นพ้องกับสิ่งที่เขาพูดอย่างหนักแน่นช่างถูกต้องที่สุดยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตพวกเรามีผู้บัญชาการเป็นลูกเขยก็ไม่เลวเลยนะพ่อกลับไปพวกเขาคงจะได้ยืดอกทําหน้าทําตาในหมู่บ้านได้เสียที พ่อหลีคิดพรางวาดฝันอย่างมีความสุขหลีชิงพิงไม่คิดว่าจะรับมือกับพวกเขาได้ง่ายดายเช่นนี้นางถึงกับลอดถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเสียหวานเมื่อครู่โชคดีที่มีเจ้าไม่อย่างนั้นแม่ก็ไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับพวกเขาอย่างไรดีแม่จะวันหน้าถ้าพวกเขาถามอะไรแ ม, แม่แม่ก็ตอบไปตามที่ข้าพูดเมื่อครูนะ่ะจะพวกเราต้องพูดให้ตรงกันเข้าไว้อย่างไรเสียตอนที่นิวซูเฟินให้เงินแม่ก็ไม่มีใครเห็นต่อให้เห็นก็ไม่ยอมรับหรอกหลิหวนันขยิบตาพลางมองไปยังร่างของเจิ้งอวินฉงที่เดินตรงเข้ามาแล้วรร้องเียก คุณพ่อคะลูกสาวของพ่อฉลาดจริงๆเจิงอวินชงยกมือขึ้นลูบผมหลีหวันด้วยความเอ็นดูไปเถอะกลับบ้านไปกินข้าวกันเดิมทีหลีชิงผิงก็พอจะมีกระจิกกระจายจะกินข้าวอยู่บ้างแต่พอถูกกระทบกระทั่งเช่นนี้เข้าวความอยากอาหารก็พันมาลายหายไปนามไม่อยากกินแล้วทําไมละ่ะเรื่องที่ปะติวแค่นี้ยังทําให้เจ้าต้องเก็บมาใส่ใจอีกหรือเจิงอวินชงเอ่ยปลอบโยนอยู่ข้างๆข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือ ทุกอย่างมีค่าอยู่เรื่องนี้ข้าจะช่วยจัดการให้เจ้าเองอืมลีชิงผิงฝืนยิ้มออกมาเล็กน้อยทราบแล้วค่ะนั่นสิคะเมื่อก่อนพวกเราไม่มีที่พึ่งแต่ตอนนี้มีคุณพ่ออยู่อะไรก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งนั้นข้าแม่จะสิ่งที่แม่ต้องทําก็คือคลอดน้องออกมาให้แข็งแรงเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวหรอกจ้ะลี่วันกัดขาหมูไปคําหนึ่งหอมจริงๆดูเจ้าสิ ก, กินจนปากมันแวววาวไปหมดแล้วลีชิงผิงเห็นท่าทางน่ารักของลูกสาวมุมปากก็อดไม่ได้ที่จะยกยิ้มขึ้น นางจะไม่คิดมากแล้วเรื่องนี้คงต้องเชื่อฟังพวกเขาเช้าตรู่วันต่อมาแม่หลีไปที่โรงอาหารแล้วก็ได้พบกับคนรู้จักเข้าจนได้นิวซูเฟินคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาสามคนพ่อแม่ลูกจะมาที่นี่ด้วยแต่พอมาลองคิดดูอีกทีก็ถูกแล้วตอนนี้หลีชิงพิงแต่งงานกับผู้พันเชียร์นคนตระกูลหลีย่อมต้องมาหาผลประโยชน์อยู่แล้วตายจริงนี่ใครกันเนี่ยมองจากไลกลๆข้าเกือบจะจําไม่ได้แน่เชียร์ซูเฟิร์นเจ้าก็มาซื้อข้าวที่โรงอาหารเหมือนกันหรือ แม่หลีเดินเข้าไปขวางทางนิวซูเฟิร์นพางพูดจาเหน็บแนมครั้งก่อนพวกนางทั้งสองตบตีกันอย่างรุนแรงที่สุดหลังจากตีกันเสร็จต่างก็ต้องนอนซมอยู่บนเตียงไปนานกว่า1เดือนเมื่อก่อนนิวซูเฟิร์นมักจะโอ้อวดว่าลูกชายของนางเป็นผู้พันเมเจอร์ Major, ดูสง่าพาเผยเพียงใดตอนนี้โชคชะตาพลิกผันถึงตาที่นางจะได้พูดบ้างแล้วได้ยินว่าตอนนี้ลูกชายของเจ้าไม่ได้เป็นผู้พันแล้วหรือ จ, จุจูเจ้าว่าอยู่ดีๆเขาไปทำความผิดอะไรเข้าถึงได้ถูกปลดตำแหน่งลงมาละ่ะ เอาอย่างนี้ไม่เจ้าลองพูดจาดีๆกับข้าสักหน่อยข้าจะลองไปขอให้ลูกเขยช่วยพูดให้ลูกชายเจ้าดูใครใช้ให้ลูกเขยของข้าตอนนี้เป็นถึงผู้พันเคอร์เนลกัลการจะให้ลูกชายเจ้ากลับมารับตําแหน่งเดิมน่นมันก็แค่คําพูดประโยคเดียวเท่านั้นแหละเจ้ามีอะไรน่าภาคภูมิใจนักหนาเจ้าก็พูดเองว่านั่นคือลูกเขยไม่ใช่ลูกชายเจ้าเสียหน่อยรอให้ลูกชายบ้านเจ้ามีความสามารถแบบนั้นเมื่อไหร่ค่อยมาทําเป็นโอ้อวดต่อหน้าข้าก็แล้วกัน